ที่ผมเคยพูดที่พุทธสมาคมติดเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่ว่าสําหรับเรื่องาว<ฮ>ัตถุนั้นที่เป็นแรงสุดเส้นเลหมดเพราะเจ้นายเมื่อวันผู้เคยให้มาพูดที่อภิธรรมมูลนิชิก็เลยคิดจะพาประสาเรื่องวิจัยคอมทีกระถาวัตถุติดเนื่นองกันต่อไปจนกว่าจะจบประเด็นเรื่องกรถาวัตถุนี้ทุกข่าวเรื่องที่พูดไปแล้วเรื่องที่เกี่ยเกี่ยวกับ อตตา้เกี่ยวกับโลกอริยบุคคลด้วยล อ, อ, อ, อ, อันนี้ก็เกี่ยวกับปัญหาอตตาอนิจ า, าทุกศาสนาะที่ถือว่าอัตตามีโดยปรมัตก์ก็ได้แต่มีกายวัชีบุตรกับมีกายสมิตรียวามีกายวัชีบุตรกมีกายสมิตรีวยาวาข า, า, านาั้นปราเ็ฏในคนัมภีร์พระาววสุว่าแยกออกไปจากมีกายเทระวาเนีย่ยเราเที่จะจะสรัดตีสอง คือเมื่อกุติุ okay? ิเจ้ามีวามแล้วประมาณร้อยทีเศษนี่แยกออกไปเป็นมีกายวิชิุกับมีกายสมุทียักษ์นี่ือเรนกระเดนไปแล้วงครับที่สมาคมเม่ปีที่แล้วตอนนี้ต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องคำถามอริยบุคคลเราเห็นว่าสรจธรรมบุคคลบางหลายเปลียนจากมรรคผลได้บางหลายไม่เปลียนจากมรรคผลได้อันนี้ก็อยากจะเข้าใจกามคิา ข้อน้ เ, เลต้อ ง, จจงนิ่งพระพาวตกมาติกต่อกันก็จะดำดับใจกลางโดยถือว่ามีเหตุมาโผลโนร่องระพาวสุน่ะมันเป็นมาอย่างไรอั น, นี้มันจะถือว้าได้เร็วว่าคำทีพระพาวสุนั้นเป็นคำทีอภิธรรมตะกรอนหนึ่ง ใ, ในจำนวนเจ็ตะกอนเดียกันส่วนหน้าที่ทัพ บ, บริษัทในเมืองไทยเราหรือแม้แต่กนเมืองหน้าตาแกรงเถิดติดฟ้าแต่อภิธรมรมเจ็ตะกรอน แต่ตอนที่ เ, เจเ็บอากระถาวัตถเนี่ยโดยมากพักจะมองข้ามไม่ได้ศึก ษ, ษาอัน่จริงกระถาวะผถุนั้นเป็นกระแสที่แข็งันมากท่านให้เราสามารถแยกแยะว่าอันไหมเป็นมติุเคอนไีอันหมาป็ น, ตน ม, ม, มนติของต่างรูกายนอกเหนือไปจากเหตุละว่าถ้าเราไม่ศึกษาธรรมทีกราวัตถุแล้วเร า, ทท ก, า, ก, าก็จะมีความรู้ในการเปรียบเทียบวาทะของนานมามติในขั้งตานันด ผู้แต่งคำทีคาถาวัดถูกคือท่านพระมงคลีบุตรอริกระอรหันต์เจ้าซึ่งเป็นพระราชครูของพระเจ้าอโศกมหาราชในสมัยอสอสามร้เจ็ดท่นแต่งนั้นปเป็นตราลุกอะไรที่แต่งคำทีเล น, นี้ท่านตราลุกถึงความแตกแยกทางคิดถิของบรรดาพระพิตรุสง์ในข้างนั้นที่แบ่งแยกคิดถีออกเป็น18ดแสติส เรียกเป็นภาษาบาลีว่าอัจฉารสวาทะคือวาระที่แปดต่างกันสิบดวาระทั้ง18วาระนี้มีข้อความเหมนขัดแย้งกันในทางธรรมะในเรื่องจิตในเรื่องเจตสิกในเรื่องรูปในเรื่องนุปาทานในเรื่องปฏิบัติธรรมมีความแตกแยกกันไปหมดแล้วแต่ละวาระหรืแต่ละมีกายก็มีสตรีปิดกของตัวเองบางวาระทีทธวารที่ท ำ, ททำมันจะพุทธะตน วารพาปิติเศติธรรมไม่จะพิเธะนั้นนิจกายส่ัจจิตวะหรือี่กันว่านิกายจิตตวีนิกายนี้ถรือว่าพระสุธรมนั้นเป็นพุพุทธพาวีนัยธนั้นจิตเป็นพุทธอภิธรรมเป็นเรื่องอาจารย์ขันันกันได้ยังนั้นเพราะฉะนั้นนิกายนี้จรงปฏิเสธอาภิธรรมโดยทเชิเลยถ้าท่านได้ฟังมาติของบางท่านในประเทศไทยปัจจุบันนี้ที่กิเอภิธรรมเป็นพุเธะพุ่จพุทธะนั้น ถ้าหากว่าทนาศิษาทำศิษาวัติุแล้วไม่น่าอัศจรรย์เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าเขาทำกันมาตั้งแต่ปศสามรอยแล้วมติในสังคมมุนทนได้แต่แยกเป็นหลายพวกหลายเหล่าบางพวกบางเหล่าก็ยกย่องว่าอภิธรรมไม่พุทธประแท่ใครปฏิเสธอภิธรรมว่าไม่จะพุทธประทีู่้นั้นตลงนรกโดยทันเลยทีเดียวพวกหนึ่งอีกพวกนึงก็ปฏิเสธว่าอภิธรรมไม่จะพทธรพเป็นได้อย่างมากก็เป็นเพียงแต่สาวกคาติ เป็นมาติกษ์ภาษาเวสนี่ยที่จะทดแทนอยู่ในภาษากะเทวีนัยนี่พวกนึ่งบางขั้วก็บอกว่าถ้ามาศึกษาพระอภิธรรมแล้วเป็นเลยด้นักเ็นิพานนักเ็นิทานที่แท้ยั่ในพระอภิธรรมหากพูพระอภิธรรมแล้วลูกแฝดภาษาจะไปนิทานในรอกไม่พูดอภิธรรมด้วยมีกายนี้ก็ได้แต่มีกายปราตติยาทะนี่กันในภาษาบาลีในคำพิีศษว่าภาษัตถุวานีกายตัตพะกิยาทะ เลภษาของสกิริสวาสวาสติลาภะนิกายนี้บางครั้งเลเรียกสาวาสติว่าเรียกว่านกายอภิธรรมเพราะในเจตนารมต้องการเผยแผ่อภิธรรมอย่างเดียวไม่เผยแผ่พิเดลีนพิเดเอนนมาเป็นลำดับสองมาเป็นลำดับแรกคืออภิธรรมนิกายนี้เรียกว่านิกายอภิธรรมหรืออภิธรรมวาทะก็เรียกที่จริงบาลีเรียกว่าสัพพิติกวะทะเป็นสาขาของนิกายเถรวาท คือสาขาของพิพากษาคนะในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องวันมีกาเรเฉลิมว่าแยกตัวออกไปลาลาปอสองร้อยแยออกไปนิกลายนีน่มีอภิธรรมตีดกต่างหากนะไม่ซ้ำกับคำปรเพราศนะไม่ซ้ำกันมีเจ็ดประกรเหมือน ก, กันแต่แต่งจะมีภาษาของสกร่ตเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมะจันทะปาทศาสาเล่นหนึ่งอภิธรรมะตรัสญาปฏิบาทศาสาเล่นหนึ่ง แล้วก็อภิธรรมะทาตุกายาปาทศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็อภิธรรมวิชยาณปาทศาสตร์เล่มหนึ่ ง, ลงแล้วก็อภิธรรมสังขีติปริยาญาปาทศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็อภิธรรมะช ья ณปรัสนะปาทศาสตร์อีกเล่มหนึ่งหกเล่มด้วยกันอีกเล่มที่เจ็ดคืออ่าอภิธรรม มหาวิภาษารวมกิริแล้วมีเป็นเจ็ดประกรเหมือนกับของเราเราก็แบ่งเป็นธาตุกัลาวิทางุขระบรรย์ยมกปัฏฐานนักคาถาวัตถุเราก็มีเป็นเจ็ดประกรของเขาก็มีเจ็ดประกรแต่การมีระดับมีแตกต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างยกตัวอย่างเช่นรูปธรรมเขามีสิบเด็ดรูปของเรามียี่สิแปดในการอธิธรรมปารวาสีวาทนั้นจัดเป็นสิบเด็ด อเจตสิกธรรมเรามีห้าสิบสองของเขามีสี่ิบหกเจตสิกธรรมมีถึงสี่สิบหกนี่เองแล้วก็ยังมีเหมืองธรรมพิเศษไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกเรียกว่าจิตตะวิตรุดประสังขาระคอันนี้ในม่าติในบาลีมีเลยมีเฉพาะในในใจนี้มีจิตตะวิตรุดประสังขารธําที่เป็นจิตตะวิตรุดแต่ก็ไม่ใชดธรรมไม่ใิ่ไม่ใช่จิตไม่ใก็จิต หมเพะในมติในบาลีเทระวเราก็อยู่ในประเภทบัญญัติในประเภทบัญญัติเช่นว่าเรื่อพยัญชนะเร่งนามเ่บัญญัตินี่อยู่ในประเภทที่เป็นจิวิปยสสุสังขาธรรมตกลงว่าริการเทระวัตสติวัตนั้นน่ะยกโคงตัวเองมาเป็นริกาอธิธรรมไม่เผยแผ่พระสุคตินตยกันละสองขีดบอกนี้แต่กิ่จะขังไว้ในต้ฉันจะมาเผยแผ่โค้มาเฉพาในกายรื่ออธิธรรมอย่างเดียว เป็นมีกอธิธรรมแพ้เป็นคู่กลับอย่างชะกาจชาการกับมีกายเสาตันปิการกาาามีกายเสาตันปิกาไม่เห็นผ่อธิธรรมจนที่อธิธรรมเลือยไเผยแผาะเขาว่ายนั้นจิตการนี้กินเป็นคมวิญญาณกนินเป็นน้ำจนน้มันอยู่กันที่ไหนเป็นูคู่กัน่พบกนี้นปนนเป็นถิกัน่นนะกันที่เป็นเจ้าาพกัน่นั้นลูกทีสกายนี้นก็นนอาจารย์สองตายแต่งตำลาคัดง้างกัน ตั้งแต่พว่สสามร้อยมาแล้วในอินเดียเป็นอย่างนี้แล้นี่ก็อาวะพระที่แนียอัจารสะวาพระเนี่ยบางวะพระก็มาเตรงกับมติของทาพุทบางท่านในเมืองไทยปัจจุบันบางวะพระถ้าเราคนที่เขาเว่าั่านเรากับิท้าววัุแล้วท่านจะไม่มี้เรื่องเลยว่ามะวะมติเหล่านี้ทำไมเป็นงนี้พระมีดังจิตตางที่โธเลยยวกับที่จิตหลายธรรมชาติจิตนี้ตัวทัพสอเนี่ย คำว่าภาษาเนี่ยเ้าแปลกป็นว่าบอิสุติติดแบบบริุที่คุณลองเพราว่ามีจีเรตจอมสมาธิหลังไม่ใช่เมตตุหมที่คนนี้ผิดไม่ใชเลยผิดมาหลายพันกว่าปีแล้วแล้วที่เป็นอาจารย์ที่ึ่งอย่างนี้นะ่คือบรรดาพระอาจารย์นิกายมหาสังคิกาวา่าซึ่งเป็นนิกายหนึ่งจำนวน18นิกายเป็นนิกายใหญ่คือในสังคมพุนทนในครั้งนั้น่ะเทรวาสแตกออกมาเป็นมหาสังควา่าแล้วสองนิกายนี่ ก็มีอนุสาขาแยกออกมาอีกรวมหมดเป็นสิบแปดวาทะด้วยกันอมัตติเรื่องจิตว่ามัตติเรื่องจิตเดิมบริสุทธิ์มันเป็นมตติของนิยายมหาสังขิกะว่ะพูดมาแล้วไม่อาศจารย์เลยหรืออย่างมัตติที่ถือว่าอ่ามีตัตน p รมัต a t มีอัตตา -paramat นี่อย่างนี้ก็เป็นมตติของนิยายวัดชีบุตรกับนิยายโทมิติยวะนิยายที่ มตติที่เต็มที่อภิธรรมปีเด็ก็เป็นมติของนิกายเสต ร, ร, รันติกกวา่ามติที่เชียอแต่อภิธรรมอย่างเดียวก็เป็นมตรรรรมินิกรายตราวติว่านทั้งหมดนี้ท่านรู้ได้จากคาถาวัตถุเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าผู้ที่จะเป็นนักศึกษานักตัววัตถีนักอภิปรายธรรมะในพุทธศาสนานั้นถ้าไม่ศึกษาคำภีคาถาวัตถุแล้วจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยคำทีคาถาวัตถุนั้นท่านผู้แต่งคือท่านโมคคีบุตรติกษะ เป็นสัญ น, นยัยยกในนิกายเทรวะท่านแต่งตํำลาเริ่มนี้ขึ้นเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นฐานความรู้ของประสงฆ์ในนิกายท่านให้เข้าใจว่ามัตติที่แท้ในมีกายเทรวะเป็นอย่างไรและมัตติที่ตรงกันข้ามกับเทรวาะเป็นอย่างไรที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรที่ผิดควรจะเป็นอย่างไรท่านจึงเขียนคาถาวัตถุปการนางขึ้นนะในบาลีอภิธรรมทราวนี้เพื่อลำงศึกษาแต่คำพีคาถาวัตถุปการนางอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีคูมืศึกษาคือถ้าไปศึกษาในกรถาวัตถุท่านก็ไม่ได้บอกไว้หรามัติอย่างนี้เป็นของนิกายนี้นะมติอย่างโน้เป็นของนิกายโน้นนะไม่ได้พูดไปพูดในะอัจฉริยต้องอ่านคำทีปรมัจารย์นะีอัจฉริย ก, กรถาวัตถุประกอบซึ่งท่านพระเจ้าโคสอาจารย์ชาวอินเดียแต่งเมื่อพศเก้ร้เศษเป็นคู่มือศึกษากรถาวัตถุประกอบเป็นเข็มคิดให้คําแรกกราวัตถุได้ต้องศึกษาปรมาจารย์นะี อาตสกคาถาสอนกถาวัตถุท่านแบ่งว่ามติอย่างนี้เป็นของนิกายชื่อนี้มติอย่างโน้นเป็นของนิกายชื่อโน้นและคราวนี้เราก็แจ้งแจ้งเราว่าอ้คาว่าสัจกาทีปรรวาทีนะ่ะสัจกาทีในคาถาวัตถุนะ่ะหมายถึงมติของอาจารย์ในเถรวาดบรวาทีในคําพีคาถาวัตถุนะ่ะหมายถึงมติของอาจารย์ฝ่ายนิกายตรงกันข้ามซึ่งไม่ใช่เถรวาดอย่างนี้เราก็เข้าใจอ่า ทรงศึกษาท่างอัจถริยประกอบด้วยอันนี้เราจะเห็นคุณของอัจฉริยะท่านที่เคยเจอมนะิอัจฉริยะน่ะถ้าต้องถ้าจะมาเห็นคุณก็เห็นคุณกันตรงนี้แหละคือว่าพระอัจฉริยาจาร์น่ะที่เราประเจอมิท่านว่าไอ้อะไรก็อ่างเป็นมัติเพียงอัจฉริยะไม่เกีบ่บารีอัจฉริยาจารย์แม่ท่านจะพลาดบาัตรก็อาจจะพลาดในเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องข้อเท็จจริงเ ก, เกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลอาจจะเขียนไปตามรูปของนิยายพื้นบ้านพื้นเมืองในครั้งกันนั้น อาจจะเขียนในรูปของการอภิปาริหารตามตามนิยมคนในครั้นตอนนั้นแต่ในเรื่องวิจัยธรรมะแล้วพระอัาจฉาริยะจันไม่เคยพา้าพระอัจกถาจารย์รักษามติของเบ ร, ราณอาจารย์อย่างคงเึ้นคงวาไม่เคยไปรู้นอกครูไม่เคยไปเอาอัตโนมติยัดเข้ไไเาไปโดยอ้างว่าเป็นพุทธพจน์พระอัจกถาจารย์ทำไม่รมทั้งกลัวบาปถ้าอธิบายตามมติของพระเบ ร, ราณอาจารย์ในสายของเทระวะ โดยเฉพาะยันยี่งคณะโบราณจาร์ที่เป็นคณะมหาวิหารไม่เทระวาดเราอย่างไรมีหลายมิติกายนะเฉพาะในลังกาเองเนี่ยแบ่งเป็นตั้งสามตัวมิกายมิติกายมหาวิหารมิกายอภัยกิรีวิหารมิกายโคตรตะวันวิหารสามมิกายใหญ่ทังสามมิิกายใหญ่มาติดไปตรงกันเราแต่งตำราคานกันอธิบายธรรมะก็ไม่ตรงกันมีปัญหาเรื่องอภิธรรมก็ไม่ตรงกันตกลงว่าเทระวาดในพม่ามือเขมน ไทยลาวลังกาอินเดียทุกวันนะี้เนี่ยเป็นมีกายเทระวาดสาขาวัดมหาวิหารที่กรุงอรุณราชสุราพระพุทธโคตรจารย์ท่านแต่งมังสือจังจำราท่านต้องบอกในปนามกกะกถาเรื่องเด่บนบทนำท่านเสมอบอกว่าท่านแต่งขยายความพุทธพจนิสัยอันตกรกถาเรืเอ่อนี้แต่งตามมาติของปัญดาพระเถระที่เป็นเพลงชายแห่งวัดมหาวิหารเป็นใหญ่วัดมหาวิหารานี่แหละคอยนั้น เถรวาทแบบที่เรานับถือทุกวันนี้เป็นเถรวาทสังกัดคณะมหาวิหารในลังกางเป็นบรมครูดเดิมแล้วก็แพร่หลายออกมาในประเทศไทยในขเขมรในลาวในพม่าในภายหลังนะไม่ใช่เถรวาทคณะอภัยีรีไม่ใช่เถรว า, ารทคณะเชตวนันในไทยยังมีข้อแตกต่างกันอีกเยอะซึ่งประมูลกรรมไม่รู้จักจบเราจะรู้ว่าแต่ตังไปเพียงไหนเราต้องเป็นคนนักคนว้า ตองอนหูตาตรงกลางฝังไม่ใชเฉพาะอา่านหนังสือเพียงอภิธรรมสังฆะเล่นเดียวก็พอไม่ใช่แค่นั้นไม่พอแล้วหน่ง อ, อภิธรรมมัสันสังฆะน่ะเป็นมติของอาจารย์คนเดียวอรุณอรุชาอาจารย์นั่นเองมติพระอาจารย์ที่แต่งอภิธรรมขั้นอนืาานอ่นที่ขัดแย้งกับพระ อ, อาานนรุอรุชาอาจารย์มีเยอะแยะไปเช่นมติของท่านธรรมปาอาจารย์ที่แต่งคำภี์สัพจังเถระเล่อนี้ก็สำคัญมากน่าศึกษาน่ามาวิจัยหน้ามาสั่งสอนนะาาสัพจังเถระวสเกตพิมพ์แล้ว ในงานเฉลิมพระชนมายุสุเดิจพสังฆราชองค์ที่หน่งรัรกไปด้วยวัดสัจสังเถตท่านธรรมปาราจามิภูแตนในนั้นจากสภาวธรรมตรงนกบางทาง้ตรงกันข้ามกับท่านอนุ ธ, ธ า, าจารย์ตรงนข้ามกันนี่เป็นมตติของท่านอาจารย์ที่เฉพาะในนิกายเทรวาสสังกัดคณะมหาวิหารยังเป็นอย่างนั้นจะไกล่าวไปย้ายกับนิกายต่างๆถึงสิบแดวาพระสิบแดนิกายซึ่งบอกว่าเป็นกายไม่รู้พระจากระพูดธเท ร, ากกทรวาว่าอย่างนั้น คนละพวกคนละหมู่กัเลยทีเดียวจะแตกต่งางกันปานไหนแล้วเราท้าพุทธเราจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้จากไหนรู้จากสาถาวถัตถุอัตกถาน้ำไม่มรู้จากที่นี่หรอกไม่รู้จากที่นี่คาถาวัตถุประมวลวาระของคณะต่างนิกายรวหมดสองร้อยกว่าวาระสองร้อยกว่าวาระแต่ละวาระบอกหมดว่าวาระนี้เป็นของ น, นินานงนานกายนั้นวาระนั้นเป็นของนิกายนี้รวหมดสองร้อยกว่าวาระ ในวันนี้ก็อยากจะเสนอเสนอเรื่องอวาระเกี่ยวกับพระอรหรันต์ข้าสนะเกี่ยวกับพระอรหันต์ในคำทีกระถาวัตถุในคำทีกระถาวัตถุนะ่ะได้กล่าวถึงมติเกี่ยวกับพระอรหันต์ว่านิกายทุภาษณ์าสนาบางนิกายคือนิกายมหาสังขิกาลนิกาย นิกายพระวาติว่านิกายหนึ่งสองนิกายนี้มีมติเกี่ยวกับพระอรหันต์แตกต่างจากวัะในนิกายเทรวาต์ต่อนิกายมหาสังกิกะถือว่าอัคคีอรหโตอนิยานังติอัคคีอรหตโตตังฆาติอัคคีอรหโตตรีมิตรียาตินี่สรุปสรุปสามอันมาพูด พระอารหันยังมีอัญญาได้ไหมข้อหนึ่งถ้าอารหันยังมีกังขาได้ไหมข้อหนึ่งถ้าอารหันจะรว่าไดยเป็นอรหันน่ะต้องอาศัยผู้อื่นพยากรใช่หรือไม่ใช่ข้อหนึ่งเป็นกระพู่วาระสามขอ้อกระพู่วาระสามข้อนี้บรรดาภิกขุไม่มีกายมหาสังกิกะและอนุไมีกายสังกัดไมีกายมหาสังกิกะที่เรียกในคำภีคสถาวัตถุวา่าคณะ มีกายอันธกะขณะมีกายอันธะกะนี่มีอยู่ห้าหกมีกายด้วยกันมีกายเล็กมีกายน้อยคือว่ามีกายปิตพเทริยะก็มีมีกายราชพเริยะก็มีมีกายปิพพิกะก็มีมีกายพวกนี้ดิว่ารวมหมดด้วยว่ามีกายอันทะกะเพราะเป็นมีกายซึ่งตั้งขึ้นในอินเดียภาคใต้ตั้งในแคว้นอันทราราชคือแคว้นออริกาในปัจจุบันนี้พิศุกในแคว้นนี้ เงื่อมบไปตั้งเป็นกุ่มกายด้วยว่ามีกายอันสกัดมีวาพระเหมือนกับแม่มีกายคือมีกายมหาสังขิกาที่ถือว่าพระอรหันยังมีกังขาได้พระอรหันยังมีอันดานได้การบรรลุมรรคผลต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์ให้สามอันเดีกันอันนี้นำไปปฏิเสธเกียรติภรณ์ของพระอรหันต์ทำไมถึงว่าอย่างนั้นถ้า พ, พิจารณาตามประวัติที่กล่าวว่า ถ้าอารหัยังมีอัญญาณคือว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่พระอรหันไม่รู้เพราะ อ, อะไรเพราะว่าถ้าจะเปิดฐานะพระอรหันต์กับฐานะสัะพพยุทพิจ้าแล้วพระอรหันต์ก็ไม่สามารถรู้ในสิ่งที่ข้าสัพพยุทพเจาราจะรู้ได้เพราะเหตุนี้แหละบรรดาพิสุในกายมหาสุกกะจึงถือว่าพระอรหันยังมีบางสิ่งเป็นอัญญาณอยู่คือยังไม่รู้วสัยของสิตเป็นพิธวิสัย ตารที่พระอรหันต์สาวกไม่รู้พุทธสิสัยนั้นอจาจารย์ในกายมหาสกิจกถือว่าเป็นอัญญาณเป็นอัญญาณเหมืกันอันนี้นี่เป็นข้อหนึ่งนะพระอรหันต์ยังมีอัญญาณได้ข้อหนึ่งเพราพระอรหันต์ไม่รู้พุทธสงสัยนี่ข้อหนึ่งละข้อสองพระอรหันต์ยังอาจจะมีตังขาไดา้คือความสงสยัยตังขากับวิจิติจชานา่ะโดยไ n ยะก็อันเดียวกัน แต่เพราะว่าอธิบายบอกว่าก็ธรรมดาวิจิตริชานั้นนะละได้ตั้งแต่พัฒนามักแล้วไม่ใช่หรือตั้งแต่เสบาปฏิมัเกเสื่อซึ่งเดียวกันวัพนพัฒนามักย่อมโปรยเสียสิ่วิจิตริาศ์ลริรักษาประมาทได้ไม่ใช่หรือปัจจัยทีิดกระละได้สังโยสามอันเนีย่ยพรโสดาปฏิมักตัดได้เป็นสมุเชษทําไมยังกล่าวพระอรหันต์ในมือวิจิตริชารือกังขาเล่าอาจารย์ในกายมหาทาั้งิกะแถลงว่า ครั้งนี้เพราะพระอรหันต์ยังมีปติรูปวิจิตริชาอะไรคือปฏิรูปวิจิตริชาร์คือความสงสัยในเรื่องชื่อเสียงเรียงงามในเรื่องสถานที่ที่ทำไม่เคยไปไม่เคยอยู่และที่จะเป็นอริยะบุคคลที่มีความสงสัยในเรื่องปฏิรูปวิจิตริชานั้นจะต้องเป็นอริยะบุคคลที่เป็นปัญญาวมตดไม่ใช่เตยตุยมุดถ้ามีเตยุยมุแล้วท่านก็ไม่อภินยา ไม่จะเป็นจะต้องไปถามถ่ายใครกระดาษยกตักวอย่างเช่นอรหรันต์โกเป็นชาวอินเดียเดินทางมาเมืองไทยท่านเป็นปัญญาวิมุติบุคคลท่า น, นมาไม่ถูกว่าอารธรรมมนิธิตั้งอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องถามเขาสิว่าเออไปขนทางจนไปอารธรรมนิธินะ่ะไปขึ้นรถไ้ไหนรถไฟสายไห น, ไหนจะมาเจาะที่วัดโทธท่าเตียนนี้ความสงสัยอย่างนี้เป็นปติเร บ, บวิจิตริชาหรือปติเระกัญขาอย่างนี้พออระรอรหันต์ึ่งึีได้ ไม่ใความสงสัยอย่างนี้ในสิทธิดเดชอาสวะเป็นความสงสัยในต้ น, มนไม้ที่ท่านเคยรู้จักมาสอนว่าเอ๊ะต้นนี้ป็นอะไรนะเขาติว่าต้นอะไรอย่าง น, นี้สงสัย้าอทางไปว่าโทไปทางไหนนะคนคนนี้คืออะไรนะความสงสัยอย่างนี้แลท่านเรียกว่ า, าปฏิรูปวิจิตฐาหรือรปฏิรูปกัรขาอย่างนี้แม้ที่เป็นอหรหันต์แล้วยังมิได้ในปณิเตกุลว ท, ที่บอกว่า การบรรลุมรรคผลจะต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์ให้อธิอระเตปริอิตารยาติจะต้องอาศัยผู้อื่นชักนําอาศัยผู้อื่นพยากรณ์อันนี้กระโดดแปลกตามเนื้อเรื่อง เ, องเองล่าจะมาบอกว่าผู้เป็นต้นรูกายชื่อว่าท่านพระมหาเทวะผู้นีพระมหาเทวะเนี่เป็นคณะาจารย์ใหญ่ท่านอยากจะมีชื่อมีเสียงนะท่านก็เอาลาบสกการะเอาเรื่องมรรคผลมาเล่าอีกติ พยากรณ์ล no, ูกศิษย์ให้ประกาศมีบัตรลูกศิษย์ว่าคนนี้เป็นโสดาปฏิบัติเป็นเสดาแล้วคนนี้ปฏิบัติเป็นสกิทาคาแล้วคนนี้ปฏิบัติเป็นอนาคาแล้วคนนั้นปฏิบัติเป็นอาราหารแล้วท่านออกประกาศมีบัตรรับรองคุณภาพความเป็นอริยะให้กับบุคคลใครๆก็อยากเป็นลูกศิษย์ท่านพรมาปฏิบัติในสำนักท่านแล้วเป็นอายะบุคคลการเป็นคิวแถวมารีรีทันใจดีแท้เอ๊นักข้าวยูศิษย์ก็โศส่ายโดยไอ้ธรรมดาเราจะเป็นอริยะบุคคลได้มักในผล จะต้องมีผู้เราต้องรู้ด้วยตัวเองไม่ผู้ดไม้ไม้ไมก็บอกว่ารู้เด็กกระตะการนิโยสิ่ที่ควรทําก็เด็กเสร็จสิ้นแล้ว อ, อาสวะที่จะทําให้กําเริบอีกก็มีนี้แล้วขาดกันหมดแล้วพบนี้เป็นพบตุดรู้ตัวเอ ง, องเออทั้งนั้นทำไมพวกเราโดยมักผลเราถึงไม่รู้ต้องรอให้อาจารย์รับรองให้นะว่าเราเป็นชัน้ น, นนั้นชั้นนี้ไปถามอาจารย์อาจารย์ก็กเออจุดเองรู้อะไร ธรดมามักวเองจะได้นะต้องเอาใจอ า, า, าจอ า, าราย์บอกให้ทิงจะรู้นะถ้าอาจารย์เปยากรณ์ใเองเองก็ไม่รู้เองได้ชั้นไหนอย่าว่าจะพูดเองเยแม่พระสีมกขานะก็ยังไม่รู้ตัวเองังอรหันต์ต้อ ง, ง, ง, องอรอให้พระพุทธองค์เนอัรให้รับรองคุณภ้าพครที่จะรู้ผูศิษย์ก็เชือ่อตั้งแต่นั้นมากาก็สั้างชีวิตว่าอัอาปาาิปริตารายตปริตารติแล้วก็รับผมอ้างว่าอามันตาแปลว่าถูกแล้ว พุกแต่ว่าไม่มีกายเทรวาทคัดค้านมีกายเทรวาทคัดค้านคัดค้านอติอราตุอัญญานั่งพระอรหันต์ไม่มีอันดาณวันที่พระอรหันต์ไม่สามารถตามกำหนดพุทธวิสัยได้นั้นะไม่ถือวเป็นอัญญานอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกับแสงที่เลี้ยงกันหลอบัณดิตนะฝ่ายหนึ่งถือว่าอาการที่ไม่รู้พุทธวิสัยเป็นอัญญานแต่เทรวาทเราเรื่องอัญญาณต้องเรื่องเกี่ยวกับรูปจิตในอริยสัจ จะไปใช้คิดอ่นมาเป็นอัญญอยนยา น, นไม่ไ้เพราะยันทศนัในที่นี้หมายถึงว่าจะติอริยสัจญาณไม่ใช่หมายถึงอย่างอื่นอาการที่พระ อ, อรหันต์สาวกไม่สามารถตามเปม็นหนึ่งพทธมิสัยนั้นไม่ตัดเป็นอันดาลว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นการเสียงกับเรื่องสับแสอเมริกันไมได้ไม่ข้อที่ว่าพระ อ, อรหันต์ยังมีกังขาไดา้ข้อนี้เทววาตรยอมรับ เราก็ยอมรับสิจอมรับว่ากางขาในที่นี้เป็นปฏิรูปกังขาสิกเราไม่ถืงเขาหรอกข้อหินตากันได้ปฏิรูปกังขาพระอรหันตประเทศปัญญาวิมุต t ั้นยังจะมีได้แต่พระอรหันตประเทศเจโตวิมุต tn ั้นก็ขามท้นไปนี่หรับอันสุดท้ายนี้เราไม่ยอมมักผลจะเกิดขึ้นต่อสายคนอื่นนรับรองคุณพระให้ไม่ถูกตจะให้ท่านอาจารย์วิปัสสนามาออกประกาศอิิยาบให้ไม่ถูกอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยอมรับ เหตุระว่าไม่ยอมรับคาถาวัถุไม่ยอมรับไปอ่านดูมักผล่เกิดขึ้นตัวรู้ใตัวเองไม่ต้องให้อาจารย์พยากรณ์ให้รับรองคุณภาพว่าคนคนนี้ได้ผลดาวแล้วคนคนนู้นสกิทาคาลเอม่เองเนผดาวปนสกิทาคาตเจงเบ่งเลยคอนี่ไปละในคานี้ไม่ยอมรับคถาวถุถ้าจะยอมก็เป็นเรื่องนกายอืนไม่ใช่นิายเหตลระว่าเป็นนิยายพวกอันธกานิยายผัดายงั้นนี่เป็นสามติแล้เกี่ยวกับโลกาตุหันในนิยายมหาตัิกา ตับคณะนิกายที่ดัวคณะอันกตระครั้งนี้มาใิกายสระวสติวะนี่กาสะวสติวะน่ะเนกายอภิธรรมบอกบอกที่หอตัวเอฉันเป็นกายอภิธรรมเผยแผ่เฉพาะอภิธรรมไม่เยแผ่พระสูตรเนื่อพระสูเลื่อนลอยเื่อนอยอภิธรรมสัญกาปีดกเนทั้งหมดีนี่นีกายนี่ีว่านีกายอภิธรรมหรือนีกายสระวสิวอ่าผู้เป็นอาจารย์เจ้าลัทธิในนิกายนี้น่ะชื่อว่า พระกัจจายนะแต่ไม่ใช่พระมหากัจจายนะข้าพิตธกาลนั้นไม่ใช่นะเป็นพระที่พร้ อ, องกันเป็นคนมีชีวิตในศตรวรรษที่สามถึงทสีและเราสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นชาวแท้นคันธาราชได้แต่ง ต, ตาราทางอภิธรรมไว้เยอะโดยเฉพาะอย่างที่แต่กษัตริย์เกี่ยวกับอภิธรรมในการนี้ไว้มากเป็นกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังทีเดียวดีว่าท่านกัจจายนะอยู่ในแคว้นจีนภูมิในอินเดียภาคเหนือ อาเมาติเกี่ยวกับพระอรหันต์มีการนี้ก็ขัดแย้งกับมีการเฉลี่ยว่าคือขัดแย้งในคำพิจารณาวัตถุมีการนี้บอกว่าพระอรหันต์มีสองประเทศประเทศหนึ่งเรียกว่าสมัยยมยุทอรหันต์ประเภทศีหนึ่งเรียกว่าสมัยยมยุตธอรหันต์สประเทศเดียกันประเทประเทศที่เป็นสมัยยมยุทอรหันต์นั้นเนี่ยบรรลุนักผลแล้วเจากนักผลได้แต่เ่ยนอย่างมากก็ ขนโสดาไม่ต่ำกว่าขั้นโสดาแล้วว่าไม่ลดต่ำลงกว่าเั้โสดาบันอาจจะลกมาขั่นอนาคาขั้นสกิทาคาขั้นโสดาก็นอย่างต่ำไม่ต่ำยิ่งไปกว่านั้นแล้วคือไม่เสียนต่อเป็นผู้ชมพวกง่ายอรหันต์เรียกนี้เรีกว่าสมัยยมุทอรหันต์คือหลุดค้นเป็นข่าวคลาลหลุดค้นเป็นสมัยสมัยพวกอรหันต์อีกพวกหนึ่งเรียกว่าอัมัยยมุท อรหันตุคาสมัยยุคอรหันตุคลน่ะคือพระอรหันต์ที่ไม่ต้องอาศัยการเวลาและอยู่คนไม่ต้องอรหันต์สองพวกนี้แตกต่างกันอย่างไรสมัยยุคอรหันตุคนน่ะต้องอาศัยโภชนยะปัายะอาหารการขุดฉันน่ะเหมาะสมกับอัตภาพถือก้นถือปาก ต้องอาศัยเสนาสนะสั ป, ปายะคืออาศาศสถานที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายแกอารมณ์ต้องอาศัยนิมิตะสั ป, ปายะอาศัยมิมิตอารมณกรรมฐานในสุดต้องกระจริตต้องอาศัยกาลยาในมิตะต้องเจอกับเพื่อนที่ถูกอบรมใจไม่ขัดแย้งกันต้องอาศัยโอโุปสัปายะบินฝ้าอากาศสิ่งแวลอดล้อมอํานวยไม่ร้อนจักไม่หนาวจัก คนที่ร้อนไปดื่มนหนาวคนที่หนาไปดื่มรอนอะไรต่างๆพวกนี้ต้องตัดตัวก็ถึงว่ารอบลิกลึกระากาศเหมาะกับตัเองเมื่อเป็นเช่นนี้อาศัยเหตุอาศาายัยปัจจัยเหล่านี้แล้วมาช่วยจึง ท, ทาให้คนคนนั้นบรรลุเป็นอรหันต์อยงนี้เป็นสมมัยยานุษย์ด้วยคนเมื่อการบุอรหันต์ของพระอริยะประเภทนี้บอกอาศัยอาหารเป็นที่ผูกใจอาศัยเสนา<ม>สนะเป็นที่ผูกใจอาศัยเที่ยงนที่ผูกใจ อาศัยอารมณ์กรรมาฐานเป็ที่ถูกใจอาศัยโอตุเป็นที่ผูกใจอาศัยสิ่งว่าร้อนกําลังใจของตัวแข็งแรงเป็นที่ถูกใจอย่างนี้จึงได้มักในผลแล้วถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดการขัดแย้งเข้าประการใดประการหนึ่งอรหันอย่างนี้ก็เปลี่ยนเปลีนจากนักผลมมิตตัวได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่ร้อนทะเอนยอยู่ในทะเลไฟอย่างเนี้ความร้อนของโอตุกนี่ทําให้มักผลิตตได้เสลี่ยนไป ส่วนที่นะคนที่หนาวไปเอ็นซ์เรย์นีมักผลได้จะเสื่อมอ่ะหรือคนที่ว่าเสนาชะนะไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่จอแจทุกขคลีด้วยเลียงทนเป็นเสื่อมหนาวต่อการปฏิบัติอย่างนี้มักผลได้ก็เวร น, นี่แหละเป็นสมัยนิมุทรบคลอย่างนี้เสี่อได้แต่เสี่นอย่างตา่าไม่ต่ำกว่าเกรดโซดาโซดาเป็นเกรดต่ำที่สุแล้วไม่ตกไปเกที่เชนอกเ็นลอก แล้วพวกนี้เสื่วมเป็นพักๆกะได้เป็นพักๆเวลาจะได้ก็ได้แบบเลอนกันยกตัวอย่างเช่นไปอยู่ทะเลทซายเสื่ยมจากอลหันเขากลับจากทะเลทรายกลับงไทยก็ได้อรหันใหม่อย่างนี้นรืออยู่ไปเอโลเสื่อนจากอลาหันเขากลับเมืองไยได้อลาหันใหม่อย่างนี้อ่หรืออาหารเป็นที่ขบฉันสบายุบขบขบปากขบลิ้นได้อลหันเพราะได้อาหารมีสบายที่ไู่ปากขบิ้นเส่มจากอลาหันอย่างนี้เด็นี่เอเป็นแบบนี้ก็ดีแต่มัเข้าซี ต้องอาศัยถึงแม้่องต่างต่างตัวได้เป็นพักพักเปลี่ยนเป็นพักพักเออนี่ว่าสมัยยุโรปมุติอรหันอีกประเภทหนึ่งียกว่าอะสมัยยุโรปมุติอารหันประเภทนี้ตนจงอาศัยการเวลาอาศัยสมัยไม่ต้องไม่ต้องอาศัยถึงแม้ร่องไม่ต้องอาศัยอุตุสปายะเนารณะสปายะโพชินะสปายะกายานมิตะอารามณะสปายะไม่ต้องเลยก็บดาไปเองไปอาศัยบุญบารมีธรรมา อาศัยกรรมปฏิบัติอรหันตประเภทนี้เทื่ออาศัยบุญบรรำรุงริษมาอาศัยกรรมปฏิบัติอรหันตประเภทนี้ไม่เสื่อมเลยเป็นอัุ ป, ปะไม่มีการหวั่นหไหวไม่ตกต่ำอีกแล้วนี่กายสละวิวาทอธิบายคําว่าสมยะวิมุตติกับอัสมยะวิมุตติอย่างนี้ตอนนี้มติในเทรวาจะว่ายอย่างไรมติในเทรวาตามที่ปรากฏในคัมภีรคกถาวัตถุ ท่านแย้งไว้แย่งบอกว่าอาจารย์ในกายสราวาติวาตนนั้เข้าใจคาําว่าสมัยยุวินุบุคคลผิดพลาดคำว่าสมัยยุวินุบุคคลน่ะแม้จะมีพิชิตพศุตในบาลีอังคุตริกายก็จริงแต่พระองค์มีได้หมายถึงพระอรหันตบุคคลเลยหากหมายถึงพิกิตอริยะบุคคลชั้นต่ํากว่านี้ชั้นต่ํากว่านี้คือหมายถึง พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปถึงพระอนาคามีชื่อว่าสมัยยัยมุขบุคคลมาใช้อราหารันแล้วที่ว่าเสือม ก, ก, มก็ไม่ใช่เสมจากมรรคผลไม่ใช่หากเสืยมจากฌานสมาบัตต่งางหัเข้าแลวการเฉื่อยเฉื่อจากฌานสมาบัตของพระอริยะบุออาคคลเรื่งต่ำสามชั้นนั้นต้องยกเวนพระอนาคามีอีกชั้นหนึ่งไม่พูดถึงู้อเหตาใด เพราะว่าพระอนาคามีน um ั้นอ่ะสีละบริบุญนางอยู่สมาธิปริบุญนางเป็นผู้ทาพร้อมแล้วซึ่งสีนัสมาธิมันมีการเปลี่ยนจากฌานสมาบัติอีกแล้วพระอรหันต์นั้นถึงพร้อมด้วยสีระบริบุญนางสมาธิปริบุญนางปัญญาปริบุญนางไรศึกขาศึกษาเบโดจสมบูรณ์แล้วมีแต่พระโสดาพระสกิทาคาเท่านั้นที่ทำให้ถึงพร้อมแล้วซึ่งสีละบริบุญนาง แต่สมาธิบริบูรังกั บ, บนเทพนักปลิบปนังนั้นไม่ถึงทาได้แต่โอประมาณเพราะเหตุนี้แหละสมัยยมุทบุคคลจึงเล่งเอาเฉพาะโสดากตตะกทาคาบุคคลแล้วที่เตือนนั้นก็ไม่ได้เตือนจากมรรคผลท่นานได้หากเตือนจากฌานสมาบัติมุ่เหตุที่เตือนจากฌานสมาบัตินั้นก็ไม่ใช่เตือนเพระาการกําเริบแห่งทุรีคือกิเลส แต่เสื่มเพราะวัตะเบเดียวัตะเพคือความวิบัติแห่งวัดปความวิบัติแห่งวัดปเป็นอย่างไรนอศกถ า, กาย์ประารบัญญัติตอนแก้คาว่าสมัยนี้มิวกบุคคลท่านแก้วยกตัวอย่างถ้าเสดานกรอกเตินข้าวข้าเห็นเด็กมนเล่นโจราย ใ, ในวัดเือนดหมดท่านก็ตั้งใจบอกว่าวันนี้มิถุนบาดจับมาแล้วจะเจ็บกวาด สายพวกนี้เห็นมันเรียบร้อยสะอาดออกไปมิจฉบาทพอบิจฉาบากลับมาแล้วลืนไปลืมจิตวิวัฒน์ที่ท่านตั้งใจจะทำท่านจะไปเข้าฌานเข้าสมาบัติเข้าเท่าไร่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ผงสายเป็นกะทำไมวันนี้ตลาดทุกวันพอเราจะเข้าสมาบัติก็เข้าทันทีวันนี้เพราะเหตุใดหนาเราจึงเข้าฌานสมาบัติที่เราที่เราเคยเข้าเข้าไม่ได้วางตั้งขาอันนี้ ดีในใจกระทั่งคิดออกว่าอ๋อเราตั้งใจว่าจะกวาดวัดแล้วลุนกวาดไปพอคิดออกว่าไม่กว่ากวาดวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเข้าฌานเข้าได้สบายเลยอันนี้ท่านบอกวิบัติเพราะอัตถุเทพไม่ใช่วิบัติเพราะยีร์ตันโลกไม่ใช่เพาเหตุนั้นสมัยนู้ดบุคคลตามความเหมายในกายเทระวัตจึงหมายถึงพระโสดาภิจจทาคาเท่านั้นแหละไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์ยืน แล้วก็พระ ส, สูดาในสติทาคานั้นที่เสื่อมก็ไม่ใชเสื่อมจากนักจักผลหากเสื่จากทานไม่ใช่เสื่จากนักผลนักผลได้กันข้างเดียวมีมเสื่อม น, นี่อันนี้ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องมติเกี่ยวกับพระอริยบุคคลในระหว่างมิกายมาหาทุติกะกับมีกายสราวาสีวะที่ตรงกันข้ามกับมีกายเถรวา่ดาดังปรากฏข้อความพิจารณาในคำภีเสภาวรวัตถุ ที่นมาเล่าแต่โดยย่อเฉพาะในประเด็นนี้ขอจบเพียงวันนี้เฉพาะวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนของการแสดงออกของบุคคลตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งศีรปัจจุบันนี้ผมขอความความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่ได้แสดงไปเมื่อกี้นี้ถึงเรื่องผู้แสดงในครั้งโบราณได้แสดงมาต่างๆดังกล่าวมานั้นน่ะ ได้แสดงออกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะด้แสดงออกอย่างหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งแสดงออกอย่างหนึ่งเช่นเป็นต้นว่าแสดงเรื่องอัญญานไม่มีความรู้พระอรหันต์นี่เป็นีู้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือพระอรหันต์เนี่ยยังมีวิจิศรกษาได้สงสัยอันหนึ่งก็ได้สงสัยอันหนึ่งก็ไดสงสัยที่ปัชนากรรมฐานจนจบเมื่อไม่สงสัยล่ะแต่สงสัยคนคนนั่นคนนี้คืออะไรสงสัยบ้านทองอะไรอะไรได้อย่างนี้อเป็นการแสดงความแสดงออกซึ่ง หลักฐานจากบาลีแสดงออกซึ่งหลักฐานจากคัมภีร์เพราะฉะนั้นเราขอเราขอความคิดเห็นของท่านด้วยว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆหลายข้อหลายอย่างนั้นขอสรุปให้เราฟังว่าท่านมีความคิดเห็นโน้มเอีอยงไปในฝ่ายไหนสำหรับมติส่วนบุคคลนั้นผมก็โน้มเอียงในทางนิกายเถรวาเพราะนิกายเถรวานเนี่ย คณะมหาวิหารนี่ตามประวัติศาสตร์บอกว่าพิกุคณะมหาวิหารนั่นเป็นฝ่ายคอนโซเวติฟคือพยายามรักษาขนุนธรรมเนียมและธรรมวินาาัยดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งพระอาหารหันต์เจ้าทาประคบมาถึงใครยังไงในถ้ำสัตบัณฑภูหาไวาย้ยโดยไม่ยอมให้การเวลาหรือการจําเป็นมาเปลี่ยนแปลงหลักธรรมอันนั้นให้วีบัติไปเพราะฉะนั้นมติของคณะมหาวิหารจึงถือว่า เป็นมติของพักคอนโซริติในพุทธศาสนาเมื่อเป็นพักคอนโซริติเป็นปัจอันรักเมยงแล้วของเก่าวของแกในขั้นพิจารจริงเป็นปกายที่ส่วนมากรักษาไว้ได้กว่าิกายอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็มีความโน้มเอียงไปทางมติเทรวาตเป็นใหญ่เพราะเรามั่นใจว่าเมืมติในเทรวาทสาขามหาวิหารนั้นเป็นปัจอันรักเมยงเช่นนี้แล้วการแก้ไขพระธรรมวินยัยตามกาลเวลานั้ น, นจึงน้อยน้อยเท่าน้อย ยิ่งานิกายอือ่นๆตรงกันข้ามอ่ากับคุยครับท่านทั้งหลายก็จะเห็นด้วยว่าองค์ป่าศพไม่ยืนยันความคิดเห็นของท่านไปนิกายทงางฝ่ายมหาวิหารซึ่งเป็นฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟที่รักษาขนบทนียมประเพณีเก่าๆและเล่เรื่องราเก่าๆเอาไว้ผมเองก็มีความคิดเห็นย่อมนั้นด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าฟังฟังเรื่องที่องค์ป่าศกแสดงไปเมื่อกี้ถึงว่ามีความคิดเห็นแต่แตกต่างกันออกไปมาก ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ออกจะแปลกประหลาดอยู่เช่จนจ้ดต้นว่าที่ผมจะถามเนี่ยเหมือนกั่ท่านอาจารย์ที่จะพูดอยู่เมื่อกี้นี่เลยคือแปลว่า ทำไมความสํานเดจพระอรหัรเน่มันเหมือนยกระดีเอร้อยองศาแล้วก็ลดันมา8ปลงมาเดแล้วก็ขึ้นไปได้ีมันหมายความว่าอะไรทั้งไอ้ความแปรสูงกับไอ้การสําเดจพระอรหันต์น่มันเหมนกันหรไม่ขออธิบายอ้าวเหมือนกันสิครับตอมนี้กายชรวาสีว่าก็ถือว่าแบบแบบอย่างคุณก็ยนอุปมาและถ้าตลอดมีตัอุณภูมิล่ะเดียวขึ้นร้อดีจอสันติเกศตั้งสามก็สูงลงไปก็มีในมตินิกายชราวาสีว่าเขาว่าอย่างงั้น แต่ว่ามันมติธิร ว, วาดเราคัดค้านว่ามติตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดตีความหมายผิดนี่เป็นเนื่องการตีความตีความผิดง่ายง่ายเหมือนกับหมายศึกษามาเล่นเดียวกันทนายโจตตีความไปอย่างทนายตำรวจตีความไปอย่างหนึง่งแล้วไปเลาะกันในศาลนี่แบบนกันน ะ, ะท่าน ท, ท่านีไงครับจะถามว่าง ไ, คาไคางครับอ้าวมีถามตรงน่งกระดาครับแล้วผมต่อเ็นครับ แองค์คือไม่ตอบคําถามผิข้อเช่นโยกนีเชื่อมหรือไม่เพื่อมชนิตนี้จะเชื่อมเสร็ไปหร้วจะมีต่อไป ท, ไทําไมถึงไม่ตอบคําถามตอบมันจะไม่ตอบไปข้อข้อไปนะครับได้ซึ่งเดี๋ยวครับอขอให้คุณเกษียณตอบให้หมดด้วยเพราะผู้ถามด้วตั้งใจเอาหมดเลยนะครับ<อ>แล้วก<ล>็ถามาอีกครับพยากตะปัญหาปัญหาที่ไม่พ <หา S 1> ูดพยากร์เพราะพยากรณแลกรังแต่จะปาเพิ่มคะแนนเสียงชนิดทิ่มแทงด้วยอาวุธคือปาก นี่เป็นมติที่บรรดาเจ้ารัติในครั tles? ้งกันนั้นเขาขึ้นแทงกันด้วยอาวุธคือปากันมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่เชืไม่ตอบจึงดูการเวลาดูบุคคลตอบโลกนี้ไม่เที่ยงแน่โลติปิติโลโก้ธรรมชาติใดซึ่งเสื่อมและทิพหายไปได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าโลกมีพระพุทธเจ้าตั้งแต่ไว้แล้วลติปิติโลก้ธรรมชาติที่ย่อยัดไปได้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าโลกนี่แสดงความไม่เที่ยงโลกปรากฏแล้วแต่เหตุใดในบุคคลบางคนพระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบ ต้องดูฐานะเขาคนบางคนตั้งปัญหาแบบที่เรียกว่าชวนทะเลาะตัวเองมีทิฐิอยู่อย่างหนึ่งจะมาคอยจับคำพูดุึ้นจะว่าถ้าพราะองค์พยากรไปในแง่นี้ก็จะได้อ้างว่าพราะองค์สมบสนน์มาทวาะของตัวยกตัวอย่างเช่นว่าวัชโคตบริพาชกบริพาชก ค, คุณหนุนชื่อวัชโคตเรียดเลียดตามโคตรขะค ว, วัชโคตบริพาชกเป็นฝ่ายสตะทิฐิ เห็นว่าโลกเที่ยงอัตตาเที่ยงมาฟาพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งปัญหาถามบอว่าข้าแต่พระโคดมโลกเที่ยงหนึ่อัตตาเที่ยงหนึ่อัตตาดวงนี้กัอัตตาดวงหน้าอันเดียวกันหนึ่งถามอย่างนี้พุทธเจ้าบอกแม้อย่างนั้นเราพยายากรอนเขาถามคิดติข้อแล้วก็ไม่พอใจบอกว่าเออผิดหวังมาหาพระโคดมก็ตั้งใจว่าพระองค์พระโคดมจะพยายาก่อข้อใดข้อหนึ่งแต่ซึ่งะพิเศษหมดแล้วจะให้หมายความว่าอย่างไร พระองค์ก็บอกว่าวัชโครควรแล้วที่ท่าจะสนสายควรแล้วที่ท่าจะตังขาเพราะว่าตัวท่านเองโศมสน ส, สษษายสกตะวาทีถือว่าอัตตาเที่ยงถ้าสถาคุทยากรย่าโลกหน้ามีท่านก็จะนึกว่าอ๋อถ้าโลกหน้ามีอัตตาตัวนี้ก็อัตตาตัวมากกับอันเดียวกันงั้นพระองค์ก็ว่าท่าสมพ้องกับข้าพเจ้าพระองค์ก็เป็นสกษษตะวาทีแม้ข้าพเจ้าก็เป็นสกษษตะวาทีไปเหยียดกันได้ ก็จะเอามาอ้างอิอย like so uh, no, no, really um, ่างนั้นถ้าสถาคทยากรว่าโลกหน้าไม่มีอัตตาอันหน้าก็ไม่มีอย่างนั้นใจท่านก็จะถือเป็นข้อจุ้งจ้าว่าเราเป็นอุเฉสวาจริงข่าวตรงกลาข้ามกับท่านดูก่อนวัชชะสถาคแสดงธรรมเป็นข้ามกลางว่าเพราะอวิชามีแลสังขารจริงมีสังขารมีแลวิญญาจึงมีวิญญาณมีแลนามพูดจริงมีแสดงสติจตุมุตบาท อวิชชาดับส um ังขารจึงดับสังขารดับวิญญาณดับเป็อย่างนี้เรื่อยไปเมื่อบันบิตพิจารณาดิปัญญาในปฏิจจสมุปบาทโดยสายเกิดว่าอวิชชาเกิดสังขารเกิดเป็นลาดับแล้วแม้อย่างนี้ก็ละอุเทิตพิถีเสียคำพิจารณาปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาดับสังขารจึงดับเป็นลำดับใจแม้อย่างนี้ก็ย่อมดับสิ่งประทสาพิถีเสียสถาคุแสดงธรรมโดยเหตุปัจจัยเป็นท่ามกลางอย่างนี้แหละ พระรูปเจ้าแสดงอย่างนี้แล้วว่าจะโคตรปริพาทแสดงความเลื่อมใสคือเข้าใจนี่เราจะเห็นได้แล้วว่าปกติแล้วพระองค์ดูคนที่ถามว่าผู้ถามเนี่คือพิ ธ, ธิอะไรหาเขาถือพิ ธ, ธิอย่างที่ว่ามาอันใดอันหนึ่งคืออุเบกขาหระอศัิ์ตะแล้วพระองค์จะแสดงไม่สต่ปัญหาอพยญญตะอันนี้เลยแต่จะแสดงพระปิตุสบาษ์ให้เห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยคล้องจองกันเป็นการตอบปัญหาโดยออกสิ่งเข้าเข้าใจได้ในที่สุด แต่ในกรณีที่คนตั้งปัญหาแสวงหาความรู้จริงๆด้วยความสงสัยในเรื่องโลกหน้าโลกนี้จริงๆไม่เคยเป็นสัตว์วาตีหรืออุเสตวาตีมาก่อนแล้วพระองค์แสดงบางครั้งเรต้องถามซัอีกทรงยกเรื่องแสดงเลยอย่างเช่นพระถนาพระอ น, น, นุนนเนื้อดูก่อนอ น, นุนอุบาสิกาบ้านนั้นอุบาสิกบ้านนั้นทําบุญอย่างนี้แล้วข้างกายแต่ทําลายขันแล้วโดยทั่วปกติพบชั้นนั้นชั้นนั้นนี่แสดงโลกหน้ามีแล้วเอเพราะฉะนั้น ปัญหาข้อนี้มีแต่วิธีการใพยากรณ์ครับพยากรณ์แต่ต้องดูบุคคลดูฐานะดูการเวลาพยากรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่พยากรณ์ถ้าพยากรณ์แล้วเป็นเหตุให้เขาตรลิมเฉลิมาทิฐิเข้ า, ขามากขึ้นก็องไม่พยากรณ์แต่ถ้าพยากรณ์แล้วเป็นเหตุนี้เขาเกิดความเขา อ, อกขุกเขาใจเขาถามโดยการอยากรู้อยากเห็นจริงๆไม่นใช่าถามแบบที่ว่าหาเหตุเพราะหรือว่าหรือถามแบบที่จะเรียกเรียกหาเจ้าพ่ออย่างนี้กะองคพยากรณ์ ผมขออนุญาตเติมนิดหนึ่งนะครับเชนก่คือว่าที่องค์ปารตกตอบไปแล้วนะครับผมก็เห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าจะมาโง่อีกนิดนึงในข้อที่ว่าพระองค์ปารตาาากท่านพูดคำว่าสัจจะพิฐิตคาว่าอุเฉตพิฐิบางท่านที่เพิ่งมาเรียนใหม่ก็ยังสงสัยอยู่บ้างก็าอาจเป็นเนได้ไก็ผูกพันีมิแล้วก็มาแลผู้หนึ่งที่ผิดกาเมตนาง บวนาเทลีก็คุกธรณีสูบที่เรื่องว่าธณีท่านก็มีจิตไม่มีวิญญาณคือว่าพื้นแผ่นดินเราดีดท่านทรไมความิดึดขห้ายเน่ยทำไมธรณีนี่จะต้องเอามาเกิดไว้ในอกในใจว่าอกจะ ต, ตายนะเพราะว่าเกิดไปทิ้งกะเ้าจะล่จะฆาหรเขาแล้วก็จะต้องมีอาเพศว่าพรณีสูบที่ท่านอยากจะทราบว่าท่านเลืสมัยนั้น ธรณี่ยรู้ว่าวิญญาอากาศที่ลุกล้มกว่ามนุษย์จะเป็นนักเป็นหนาเช่งคนทําความผิดเนี่ยดิฉันควรจะว่าก็ยังยังปัจจุบันในโลกเราเนี่ยกฎหมายเขามีคําโทษแล้วก็จะได้รู้ว่าในกรณในขอทําผิดยังนั้นได้รับโทษอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วตัวเขาเองก็รู้สมมกตัวเขาได้ทําผิดอย่างนั้นกฎหมายจะไม้ทำโทษอย่างนี้ก็พวกที่ถูกธรณีผิดไปแล้วเนี่ยขาไมไ่รู้เลยน่ะเขาสาบสูญไปอยู่ใต้ในรกลกละ เขาไม่มีโอกาสจะรู้เข้าไปยืนอะไรอย่าง น, ในั้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำผิดอะไรแล้วก็ทำไมเขาจะเข็ดล่ะคะนี่ฉังอยากจะทราบว่าทำไมพนะอริยทธิโหดร้ายจะเป็นนักเป็นหนาจานึงมาทำโทษจนแบบนี้ขออาจารย์ได้กลณาอธิบายสักนิดเถอะคะ่ะแล้วก็เตียงอีอยังนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีจ้าปะคณแทยังทำางนี้นะ่ะออกไปขอให้พรอริมันโดเถอะแล้วก็จ้าปคณี่ัพูดแแกไม่ฟังก่ะชากมากขอให้แกหัหงนะ ขอขอได้โปรดนะทุบายสักนิดสักครสงสัยจริงจริงสิเดียวสิเรื่องทรณีสูบนะ่ะมีอยู่สองแง่นะครับทรณีสูบนะ่ะเกี่ยวกับเป็นบ่อน้ําโครมที่มีพิษในประเทศอินเดียในแม่ปัจจุบันก็ยังมีในครั้งนั้นนะ่ะท่านทั้งหลายสูดรวยว่าความเจริญทางคามนาคมไม่เหมือนอยนู่นี่ออกจากเมืองไม่กี่เส้นก็เป็นป่าใหญ่ในอินเดียทรั้งนั้นนะ่ะเหมือนกับเมืองททไทยเราสมัยรัชกาลที่สาที่สพอพ้นเขต วัดบางลำพูคือวัดสงเวยเดนีไตแล้วก็เป็นป่าสวนทีเดียวแถวบางกระปิดแถวรังติดทางป่าเป็นโขงโขงเดินหากินออกยิ่นใบหมกวัดโขงวัจนารานนเมเนลถูกเสือฆ่เาเป็นพระราจงเรียนเสือมาฆ่าเนตะวันวัดโขงฝั่งตรงข้หมมาค่าเนลมากินในในสวนังวัดโขง น, น ง, ดงนี่มีป่าโขงยังอยู่เลอ่าพระเรที่ว่านี่นคือที่เินครับเินพิษตปนนลง แล้วก็บริเวณเลนพิษเอก็มียากขึ้นรอบๆอจิเนพิษจะมองในตาเปล่าก็มุกเป็นแผ่นดินไม่รู้เดินผ้ากางไปมันก็เดืดไปแต่ทั้งทั้งตัวยังเดือดจนมึดเลยอย่าว่าตกบนนี่เลนแบบนี้ในเมืองไทยเวลานี้บางแห่งยังมีกระเพาะอีสานเดืบัากอีเคยเคยมีเดินพิษนี้เดือางกระเพทั้งโขงนี่นหายทั้งโขงที่เดือดมอนะกระาอีสานเนี่ยแล้วต่อมา เมื่อธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงเข้าไอเลนนี่เขาก็แห้งกลางไปคนไปเติมากชางโขงในติ้งต้นบอกกินนัวช่างขงนี้ถูกเลนคิดมันเดืเพราะ น, นี้พระเทวทัตที่ว่า ก, กระหายน้ําอยากไปอาบน้ํากินน้ําซะก่อนที่จะเศ้าพระเจ้าแล้วก็พอเข้าใกล้ในบริเวณที่เป็นหนองบึงแล้วถูบธรณีสูกไปน่ะไม่ใช่เองใกล้คือถูกเลนพิษในบริเวณหนองบึงนั้นเนะดือดไปทั้งเต่ม เ, เองอย่างนี้เป็นธรณีสูกจริง เนี่ยอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคําว่าธรณีสุกนั้นเป็นอีเดียมเป็นอีเดียมคือหมายความว่าเป็นคําที่เขาเรียกว่าสังคมประนามสังคมเขาประนามไม่คบค้าสมาคมเป็นคนถูกสาปจากสังคมประชาชนความบาศอย่างนี้ก็เรียกว่าธรณีสุกคนที่ทําความผิดตะอุกฤษโทษจนกระทั่งปรากฏสังประชาชนลงประชาชนลงโทษไม่คบค้าสมาคมด้วยไปไหนเข้าขาเข่ากับใครไม่ได้ ต้องเป็นตัวนิคิดไม่สามารถจะออกสังคมกับใครอย่างนี้ก็เรื่องธรณีสูตเป็นอีเดือนอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งถูอที่ภาคสาจำคุกตลอดชีวิตอย่างนี้จะเป็นภารณีสตรโดยกฎหมายอาญาของบ้านเมืองอีกอย่างหนึง่งสามประการแรกแต่จ ะ, จะ เ, เชื่อเอาผิดทั้งนั้นอาปาปก็บอกว่า ลูกเลยเวลามายาวแล้วจะมีวันอาทิตย์นี้เวลาท่านได้ญญทั้งหลายเรื่องประวัติศาสตรพุทธศาสนาภาคอินเดียโดยพูดจบไปข้างสุดท้ายเมื่อเดือนก่อนโน่นไปแล้วในวันนี้เราก็ได้เริ่มเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศทิเบตต่อไปที่เอาประเทศทิเบตมาเป็นลาดับของอินเดียก็เพราะว่า ทิเบกับอินเดียนั้นมีภูมิศาสตร์เขตแดนติดตออกก่อใกล้ชิดกันที่สุดกลางคามนาคมเมื่อสมัยประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นประเทศทิเบตเป็นประเทศที่เรียกกันว่าแผ่นดินแห่งความลี้ลับที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินแห่งความลี้ลับกเพราะว่าคืภูมิศาสตร์ก็ละ ส, สิ่งแวดล้อมทำหนูให้ทิเบตเป็นดินแดนที่ตุกตัดขาดจากความสัมพันธ์ของโลกภายนอก ันยกตัวอย่างเช่นว่าภูมิภาคที่เดตั้งอยู่บนยอดผิภูเขาทีิมาลายที่ราบสูงผิวภูเขาทิมาลายปราการที่ล้อมที่เดต่ค้าดจากความติดต่อกับโลกภายนอกก็คือเทือกภูเขาทิมาลายทางด้านตะวันตกและทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศจีนนั้นก็มีที่ราดสูงและมีเทืภูเขาใหญ่ๆสลับทับซ้อนกันหลายร้อยลูกภูเขาเหล่านี้ไม่มีถนนเส้นทาง ที่จะตัดผ่านไปนอกจากการเดินทางต้องใช้โคต่างมาต่างแล้วก็ไต่ไปตามตึกเหลวห้วยหลัฐานลำพานต้องใช้เวลาเดินทางเป็นรันเดือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเข้าประเทศทิเดตทางด้านประเทศจีนแล้วคือเข้าทางมนุษยนเฉลิมของจีนแล้วจะต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยไม่น้ํากว่าสเดือนถึงจะถึงเมืองหลวงของทิเบตแต่ถ้าหากว่าเราให้การเดินทางทางเส้นอินเดีย คือเข้าทางประเทศอินเดีทางด้านอินเดียโดยเข้าทางแท่นติหินของอินเดียหรือเข้าทางประเทศเนปาลซึ่งเป็นประเทศเอกราชเล็กๆในเชิงภูเขาดิมาลายก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบวันสิบวันหรือสองอาทิตย์อย่างไรไม่ต่ำกว่านี้แหละถึงจะเดินทางไปถึงได้เมื่อจากภูมิประเทศแวดวงภูดุภูเขาสูงและป่าใหญ่และความภูรักกันดารดังกล่าวมา ที่เบติมีลักษณะมักให้เคล้าตับว่าถูกตัดขาดออกไปจากโลกภายนอกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งประชาชนชาวทิเดตเองก็มีความมักน้อยไม่อยากจะสูงสิงเกี่ยวข้องกับประชาชาติต่างๆนอกไปกว่าชาติของตัวเองไม่อยากจะยิ่ยงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของโลกเพราะฉะนั้นทิเบตจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศบนหลังคาโลกเพราะเหตุที่ว่าตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดของโลกอาหมู่บ้าน ตั้งอยู่บนที่สูงสุดในโลกด้วยว่าหมูบ้านตา๊ะหมูบ้านตา๊ะเนี่ยเป็นหมูบ้านที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงสุดของโลกเลยในมี้อย่างนั้นจะสูงเท่าแล้วไม่คือถึงยอดหมูบ้านคนตั้งอยู่นะครับไม่ใช่ผู้ถึงยอดสูงผู้ถึงยอดบ้านคนที่ไปตั้งอยู่บนที่สูงน่ะคือหมูบ้านตาป๊ะในเขตประเทศติเบตนี่แหละตั้งอยู่บนที่สูงสุดทางภูที่ต่าของทิเบตนั้นเราแบ่งออกได้เป็นสองตอนหรือสามตอนแบ่งเป็สามตอนเยอะอย่างหยาบหยาบคือว่า ตอนเหนือตอนตะวันออกกับตอนใต้ตอนเหนือนั้นเป็นที่ราบสูงตระมัดทิม่าทิม่มบุกคลุมอยู่ตลอดปีสีตะชาถ้าจะมีระเรือเดินทางก็กตกยกรลาวตั้งปีหนึ่งประมาณสักสองเดือนขับค้นสองเดืนอนนี้แล้วเป็นเดินทางไม่ได้พื้นพื้นที่สูง ก, กว่าระดับน้ำทะเลกว่า100เิตรขึ้นไปบุกคลุมด้วยทะเลน้ําแข็งบกคลุมหมด แล้วก็มองดูไปสารคิษไหนก็มีแต่ความล้าเหววิเวกเห็นแต่ก้อนเน่จินปีนอากาศ ข, ขมุขขโมยเยือกเย็ยนจัดตัวใจเดินโน่นเดี่ยงเดินไม่มีสัตว์มีติเดี่ยงล่างไม่มีสัตว์มีขานถ้าเราจะเดินทางก็ต้องเตรียมเสบียงกลางอาหารและน้ำทาวายสําหรับจะเดินทางไปที่ด้สูงอันนั้นที่รานสูงอันนี้อยู่ทางตอนเหนือของทิเด็ติดต่อกับเติมปีฐาน เนที่รับสูงใหญ่มากที่มนุษย์กระตัดยากนักที่จะผ่านต้นแต่ได้อาวุธชาตในตอนนี้ก็มีประชาชนชาวทิเบตอยู่อย่างเบาบางเป็นทีโดยมากเป็นคนชาติเล่รอนอาศัยเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงทข้งทิเบตนั้นก็เรียกกันว่าตัวจามารีถ้าเป็นตัวผู้เรือตัวจามอนจามระถ้าเป็นตัวเมียก็เรือตัวจามารีในภาษาบาลีนี่แหละ จารกินตัวจามมองกามารีนยาม่องใจหลอกคือควายสีเดชันเองแหละควยายอย่างควาบ้างเราแต่เป็นคนุพันธ์ทนควายสีเดชถ้าอย่างนั้นทำไมาทนี่ข น, นามารีที่เยอะของของสูงหายากล่ขณะที่เอาขนขนหางของจัจามารีนี้มาทำขึ้นสูงของสมรภาระาศัพท์ในประเทศตะวันออกในยางในอินเดียรวมที่ในประเทศไทยเราทั้งนี้ไม่ใช่อิ่งใจสีเดชนั้น ความจริงก็คือประเทศนอกตาตาดินพาพันเองเอาว่าเทือกเขาทิมาลายทางด้านอินเดียเป็นตาตินมพาพันนะทิมตะวันตากคืินพาพันอันเดียวกันที่เบิดดูถัดเทือกเขาทิมาลายออกไปเพราะฉะนั้นตามลักมะวิสัยของชาวอินเดียที่ตกเกที่เบิดคือเมืองนอกตาตาดินมาพันกับจ า, บ า, ามานี่เปนฝัดอยูเมตานอกตาตัดินมาพันหาที่หายากมาก เพาะว่าทางโบราณน่ยคนเรายากนักที่จะกันตาบุกผ่านดงหินมาานไปได้ไปนั้นไม่ได้แม้แต่ขนหางที่มันมาก็นับว่าเป็นของหายดียากจึงมาถวายพะมหากษับริย์เป็นครื่องสูงแต่ความจริงที่เดดแล้วเอาขนหางตามลิงขนหางควายในบ้านเราดีเองแต่ท้ายกวายที่เดดนั้นคก็ควายบ้านเราคือมันมีขนปุกปุยสมกับอุณหภูตามหนาวเย็นในประเทศนั้น ธรรมธาติจับตึงให้ควายที่เด็กมีขนหนสตกดตัวเต็นตัวมีรูปร่างที่ตนมแต่ปรลาดลำสันตัวน่ตตอกำลังขาแข็งแรงสามารถวิ่งเาะอิมาได้แม่นและสามารถกดนทนยืดประสับทุกประเทศที่เด็กสัตจามองไม่จารมาเรียนกินกลายจนท่้งจับต้งคือให้นมแต่ที่ยังให้น้ำมันเขาแบบเป็นไข่ติตะเกีง เมื่อตายไปแล้วหนังมันก็ชื่อที่เด็กเอาสายทาเสื้อผ้าตั้งกันตามหนาวเอาสายหนังมันทําเป็นผ้ากระโจมในเวลาเดินทางก็เโดงของมันก็มาทําเป็นเครื่องใช้แต่คุณสตว์ที่มีคุณต่อชาวที่เดือดังมากประชาชนชาที่เดือดในภาคเหนือโดยมากเป็นพวกเร่ร่อนอาศัยสัดว์เลี้ยงถึงกามารีบางถึงก็มีแล้วๆตัวบางถึงก็มีพันพันตัวแล้วก็มีแตะมีแพะประกอบปักเล่ร่อนไม่มีอยู่ หลักฐานเป็นหลัแกแห่งแน่นอนอะไรมีประชากนเบาบางมากอยู่ตามชายเขาชิงชิ ง, งยากพอหิมะลงชิงยากพอหิมะเกิดก็ต้ อ, ตองถอนเต้นหนีแล้วหาทหําเลหากินกันใหม่ต่ตอไปมีชีวิตที่ดูการกังขาไปกระจัดอย่างน่งทางตะวนันออกที่เดือดที่แตกติดต่อกับประเทศจีนก็เป็นเขาสูงเขาบางลูกหนาตลอดปีที่ประช า, า, า, ากรมีคยนยอดเขาเลือเพาอะไรหมอกเยือกบนเมืองม่นหมอก หมอกลงทุกยันเวลาเพียงยันเนี่ยคนหางกันญาลมองไมเห็นหน้ากันแล้วหมอกจันึกจะมังดีก็อากาทางจุดสองปันนาทางเชียงรุ้งไม่มีผิดหมอกลงทุกยันเยันไหนทําหมอกลงไปนไม่ดีะเพราะทเขาสงมากความกดดันอากาศตันหมอกก็ลงมาเต็มหมดเป็นทกระจายการเดินทางดินสายตามทิ่เขาเหล่านี้ต้องระวังตัวด้อมีเหล็ก ขอหลุจับใ้สงกัดต้องการยึดตัวมันให้ฆ่าตัวเีแล้วตตายไปตามเขีหนักตมากลึกมอมึงบนี่มองม่เห็นนี่ขลักมือจดเพราะเจับจดเพราะมันธรรมชาติก็ช่วยตกต้นที่เดือดะวเพื่อิ่จับการลกราบท่านทางด้านเหนือกับด้านตะลันออกที่ติดกรีนด้านนีุ้นกั้อยอีกแต่ว่ายังมีคนวหนึ่งอาศัยอาชีพในการที่เดียวกับปลูกใบปูกต้น บุกชาบุกชาต้องชาเนี่แหละชา่ิเด็กทโยนกินชามากวันวนหนึ่งการกินทาของเขานันต่างกักของเราของเราใบชามาชงกินของเข้าเอาใบชาเติมกับน้ำมันเลยจามาลีกับนมจามาลีแล้วเขี่ยเขี่ยกินซุกแล้วก็ตัดกินอย่างเราตัดกินซุกอย่างนี้แหละนี่การกินการกินมันชาติเด็กกินเยอะกินเฉียนสิดปูเฉียนเฉียนแล้วก็มัน เ้าเหตุที่ว่าไปไตเลยใต่เลยไม่ไปในปาแล้วเขียแล้วนีน่นำ้ำทําองเยอะเกลือเข้าเลถ้าอย่างไรากินก็โอ้ก ท, ทันทีเลยแต่คนไข้กินแล้วกินได้กินดีเป็นอาหารเย็ะเอาไจสิน้ำชาเมย์ดามารีนีู่่วทำใเด็ดต่ว่าทำให้เกิดเป็นมะพร้าในตัวถ้ากินในเข็หนาถ้าขาดเมเมือเครื่องดืม้มแล้วก็ี้ความหนาวไม่ได้ถ้าโปรตีนในตัวน้อยจะสูความเยือกย็นนั้นด่ คนตะวันออกภาคนี้ก็เบาบางหรือมากเป็นพวกชายเขาแต่ละคนน่างล่ำสั้นใหญ่โตถึงกับคนธรรมดาอย่างพวกถึงกับคนไทยธรรมดาสองข่ายลูกหลางใหญ่โตมากหีุ่มหล่อลูกหลานแต่เป็นพวกถึงเหลือพวกชนเขาคาตาพวกนี้โดยปกติแล้วมันเป็นดุดันเข้มขมไม่ยากนี่ใคจะตีง่ายง่ายคือนักเตะกูยังฉกใส่กันเยอะพวกเนี้ยเด็ชนเขาคาตานี่ พวกนี graduate, ้ да o, la la la. No. Franc, ี่มาตจนแาแล้อายุสามขวบขึ้นมากเลยอายุสามขวบอาไม่ได้เก่งมากยิืนได้พวกพวกนี้ที่ภาคตาลัอกพภาคใต้ทั้งที่เดกเป็นดินแดนอเดนถิ่นเดินอากาศก็อบอุ่นสบายพลเมืองก็คับข้างประกอบด้วยภูมิภาคภูมิภาพเฉียวฉินหน้าเด็กบานใจมีไร่ต้นแต่บอน ไล่ต้แอปไล่ไอ้ยืนไล่เตงโมแล้วก็มีไล่มาปลูกข้าวบาเวข้าวสาลีข้าวจ้ามีนี่ขึ้นไม่ได้ข้าจ้ามันคือมีแรดที่เดยกข้าวจ้างกเลยระนั้นชาที่ดมเห็นข้าว้ามไ่้เห็เหอมขข้าจ้ามอที่เด็กไม่กินมันีแหละคนในเมืที่เด็กแนั้เองนะเนาะมีบรราที่ข้า้ากินคนจนมีบรรดาที่ข้าวจ้ามแล้วนี่ดงนั้นมันหนจามรีไรข้าบาเข้าวสาลี คนเมืองทำมาดิมธรรมดาถึงขั้งใจเปลได้บ้าเราขั้งใจเปลีนการในที่เดียวในขา้งใจหาย่าอืมแล้วก็เนือกตั้งที่เดียวนี่แหละก็มีบ้านเมืองที่เดินถึงเมืองเลี้ยงล้องที่เดียวก็ตั้งอยู่ที่นี่ถินกลางขอเกาะตะหน้าวัดพระนคระเภานี่อ่าอยู่ที่นี่หมดเลี้ยงที่เดียวชื่อว่าลาซาลาซาถ้าเป็นทางจากเซตติดอินเดียเข้าไปในลาซาอย่างแรก ก็ประมาณสิวันถึงเดินทางกทนรทนประมาณสิบวันธรรมชาติถ evet. ิงนน้ำไม่เ <drop> กินผัดจากไร่เขาจ็มีป่าป่านี่ก็คือต้นขี้มาอเดมแล้วก็มีมะลางต่างๆมากมายต้นขี้เมาบางอย่างเลือกข้เมายังไม่รู้จักชื่อนักแสวงหาที้เมานักเล่นขี้เมามีที่ตโองเลือกต้องไปแสางหาขี้เมาในป่าในเขตพิเดษและเป็นป่าที่ไม่เคยได้รูตั่าอุดมเหมือนตักตัดเล่น พวกคุณในสมัญต์ายคาสิเดียเป็นคาทิสิขึ้นัดมากถึงถึงขอตามาปฏิบัติขึัน